วันนี้พวกเราก็ได้มาฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องที่เราจะฟังกันในวันนี้คือสิ่งที่หายากในโลกนี้สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ หาได้ยากเกิดได้ยากสองเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะดำรงชีพยอยู่ให้มีอายุยืนยาวนานก็เป็นสิ่งที่ยากสาการเกิดการปรากฏขึ้นมาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็เป็นสิ่งที่ยากและสี่ การได้ยินได้ฟังทมก็เป็นสิ่งที่ยากนี่คือสิ่งที่หายากที่เกิดขึ้นได้ยากที่พวกเราได้กันมาในขณะนี้เพราะว่าพวกเราเป็นเหมือนคนมีโชคมีวาสนามีบุญมีบารมี เหมือนกับคนที่ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราก็คงจะรู้ว่ามันไม่ง่ายตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงบัดนี้เราเคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันหรือยังเพราะว่ามันไม่ง่ายชั้นใดการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ยังมีชีวิตอยู่จนถึงบัดนี้ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าได้มาฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าเป็นของที่ยากอย่างยิ่งที่จะเกิดขึ้นได้แต่พวกเราได้แล้วแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก การเกิดเป็นมนุษย์นี้ยากกว่าการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานเขาเกิดกันทีเป็นฝูงเป็นคอบมนุษย์นี้เกิดได้ทีละคนนอกจากกรณีพิเศษก็เป็นเกิดเป็นแฝดอตานานๆจะเกิดขึ้นได้สักครั้งหนึ่งที่เป็นแฝดกัน ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเกิดกันที่ละคนและปีหนึ่งจะเกิดขึ้นได้สักครั้งหนึ่งการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์จึงไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะกว่า จ, จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งก็ต้องไปเสียเวลากับการไปรับผลบุญผลบาปอีก ตายไปแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีถ้าทำบาปทำกรรมมาไว้ก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรมก่อนถ้าได้ทำบุญก็จะได้รับผลบุญได้ไปเกิดบนสวรรค์ได้ไปเป็นเทวดาจนกว่าเราได้ใช้ผลบุญผลบาปไปแล้ว เราถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันแล้วพอเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องต่อสู้กับการดำรงชีพบางคนเกิดมาได้วันเดียวก็ตายไปก็มีบางคนก็ตายเจ็ดวันตายบางคนก็เดือนหนึ่งตายบางคนก็ปีหนึ่ง บางคนก็สองปีสามปีมีคนตายทุกไหวยทุกอายุไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่เกิดมาแล้วจะอยู่ไปจนแก่ตายอยู่ไปจนถึงอายุแปดสิบเก้าสิบร้อยปีไม่ได้เป็นของง่ายแต่พวกเราก็อยู่กันมาได้จนถึงบัดนี้ก็ถือว่าเราได้ของที่ยาก นี่คือของสิ่งที่สองสิ่งที่หายากสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากพวกเราได้กันแล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแล้วได้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้แล้วเรายังมาได้สิ่งที่วิเศษสิ่งที่สามอีกสิ่งที่ยากที่หายากอีกก็คือได้มาพบกับพระพุทธเจ้า คือได้มาพบกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่จะเกิดขึ้นมานานๆานจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรมปันขครั้งหนึ่งองค์หนึ่งนานๆานจะมีสักครั้งหนึ่งคำว่านานก็คือเป็นเวลานานๆนานๆปีภาษาภาษาพระเขาเราียกว่ากับเรียกว่ากัน ระยะเวลาของหนึ่งกับหนึ่งการ น, นี้ท่านก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าทุกร้อยปีเราเอาเอาผ้าไปรูปเขาพัสุเมนสักหนึ่งครั้งคือเขาหิมาลัยเนี่ยภูเขาหิมาลัยทุกร้อยปีเราเอาผ้าไปรูปสักหนึ่งครั้งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆรูปไปเรื่อยๆ จนกว่าภูเขานั้นจะสึกหายไปหมดเอถึงจะได้เวลาหนึ่งกับที่ดูว่ามานานสักเพียงไรกว่าจะได้มีพระพุทธเจ้ามาเกิดสักครั้งหนึ่งอนี่เราก็ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับได้พบพระพุทธเจ้า พระพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ก่อนที่จากพวกเราไปว่าพระธรรมวินัยคือคาสั่งคำสอนของเรานี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาจะไม่ได้อยู่ปราศจากเราเพราะพวกเธอมีธรรมวินัยคสั่งคำสอนของเรา หรือมีพระอริยสงสาวกที่สามารถทำหน้าที่สั่งสอนคำสั่งคำสอนของเราให้แก่พวกเธอได้ก็เหมือนกับเราได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงการได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงได้พบกับพระพุทธศาสนาก็ทำให้เราได้พบกับสิ่งที่หายาก ข้อที่สี่ประการที่สี่ก็คือการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำําสอนซึ่งไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะว่าเวลาที่เราจะมาฟังเทศฟังธรรมกันนี่ก็หายากเรามักจะไม่ค่อยมีเวลากันเวลาของเรามักจะหมดไปกับการกทํากิจกรรมอย่างอื่นทํางานทําการทํามาหากินแล้วเสร็จแล้ว พอมีเวลาว่างก็ไปหาความสุขกันทางตางหูจมูกลิ้นกายกันไปดืม่มไปกินไปเที่ยวไปเล่นกันไม่ค่อยได้คิดถึงการฟังเทศฟังธรรมกันบางคนเกิดมานี่ยังไม่เคยฟังธรรมเลยก็มีนี่ก็เป็นสิ่งที่หายากถึงแม้ว่าจะมีอยู่ในปัจจุบันนี้ ธรรมะตอนนี้มีอยู่ในทุกรูปแบบหลายรูปแบบสามารถฟังเทศฟังธรรมกันได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ถ้าไม่มีความสนใจมันก็ไม่ได้ฟังกันออใจของคนเราส่วนใหญ่จะไม่สนใจในเรื่องการฟังเทศฟังธรรมกันเพราะใจถูกอำนาจของตันหาความอยาก หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญทําให้ไม่มีเวลาที่มันจะมาฟังเทศฟังธรรมกันการฟังธรรมจึงเป็นของยากแต่พวกท่านก็สามารถหลุดออกจากอํานาจของตันหาความอยากต่างๆได้ไฟายฟานฝ่ามาฟังเทศฟังธรรมกันในวันนี้ ทั้งทงที่ก็มีอุปสรรคเช่นอากาศก็ไม่เอื้ออำนวยฝนฟ้าตกก็ยังพยายามมากันจนได้แสดงว่าพวกท่านนี่มีกุศลมีบุญเคยบำเพ็ญบุญกุศลมาในอดีตชาติจึงทำให้ใจมีไฟจิตไฟไฟ ฝ่าธรรมกันจิตใจฝ่าธรรมฝ่บุญฝ่กุศลจึงฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมกันนี่คือสิ่งสสิ่งที่หายากสีสี่ประการด้วยกันและเมื่อเป็นสิ่งที่หายากก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง คุณค่าคืออะไรก็คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้พบกับสิ่งที่หายากสี่ประการนี้ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากสิ่งที่หายากสี่ประการนี้คืออะไรเราก็จะได้ปฏิบัติธรรมเราจะได้บวชแล้วเราก็จะได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเกิดจากการบวชก็คือได้บรรลุพระนิพพาน ไม่มีอะไรที่จะหายากยิ่งกว่าพระนิพพานและไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าพระนิพพานอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีสิ่งที่หายากสี่ประการ <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เช่นตอนนี้ในโลกนี้มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ถ้าเราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เรามาเกิดเป็นเดรัจฉานเช่นเรามาเกิดเป็นลิงเป็นสัตว์ที่อยู่บนเขานีเ้เขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเพราะเขาจะไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมฟังก็ฟังไม่รู้เรื่อง เ, ออเช่นตุ๊กแกจิงจบที่อยู่ในศาลานี้ถึงแม้จะอยู่ได้ยินเสียงฟังได้เสียงธรรมแต่เขาก็ฟังไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์ จะได้จะฟังเทศฟังธรรมจะรับประโยชน์จากการได้การปรากฏของพระพุทธเจ้านี้ต้องเกิดต้องเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกเราตอนนี้พวกเราได้มาเป็นมนุษย์กันเราจึงสามารถมาฟังเทศฟังธรรมได้มารับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราเกิดมาแล้วถ้าเราอายุสัน้นเกิดมาแล้วยังไม่ทันโต ยังเป็นเด็กไร้เดียงสาแล้วตายไปการเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เกิดเป็นประโยชน์อะไรถึงแม้ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาแต่ชีวิตของเรากลับสั้นกับอยู่ไม่ถึงเวลาที่เราจะสามารถมาฟังเทศน์ฟังธรรมได้เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์หรือว่าถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเรา มีอายุยืนยาวนานยืนได้ยาวนานแต่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุมมาประกาศพระธรรมคำสอนการมาเกิดเป็นมนุษย์มีการมีอายุยืนยาวนานก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะไม่สามารถที่จะทําให้เราไปถึงพระนิพพานได้เราก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปอันนี้ก็ เรื่องประโยชน์ของการตัดสรุของพระพุทธเจ้าเรื่องของการเผยแผ่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต้องมีทั้งสองอย่างเราต้องมีทั้งสิ่งที่หายากทั้งสี่อย่างนอกจากมีพระพุทธศาสนาแล้วแต่ถ้าเราไม่สนใจมาฟังเทศฟังธรรมเช่นวันนี้ไปเที่ยวกันดีกว่า ไปเล่นกันดีกว่าไปออกกำลังกายกันดีกว่าไปทำกิจกรรมอย่างอื่นกันดีกว่าไม่มาฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะไม่รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องที่จะพาให้เราได้ไปถึงพระนิพพานกันเนี่นี่คือสิ่งหายากสี่ประการที่พวกเรานี้ได้แล้วได้พบกันแล้ว ถ้าเป็นลอตเตอรี่ก็ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วเมื่อเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วเราจะต้องทําอะไรต่อไปเราก็ต้องไปขึ้นเงินขึ้นรางวัลถ้าเราเก็บไว้เฉยๆมันก็เป็นกระดาษใบเดียวไม่มีคุณค่าราคาอะไรเราก็ต้องเอากระดาษใบนี้ไปขึ้นรางวัลฉันใดการที่เราได้มาพบกับสิ่งที่หายากสี่ประการนี้ ก็เหมือนกับการที่เราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนารางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาคืออะไรก็คือพระนิพพานคือการได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนที่พวกเรากําลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่มาอย่างโชคโจนและจะเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปอย่างนับไม่ถ้วนปริมาณน้ําตาที่พวกเราได้ร้องห่มร้องไห้กันนี้ ที่เราได้รับจากการมาเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ที่เราได้รับที่ทําให้เราต้องร้องหม่มร้องไห้นี้ถ้าเราเอามารวมกันแล้วนี่มันมากกว่าน้ําในมหาสมุทรเสียอีกก็ดูก็แล้วกันว่าเราต้องเกิดแก่เจ็บตายกันมากี่ครั้งถึงจะหลังน้ําตาได้มากกว่าน้ําในมหาสมุทรและจะหลั่งน้ําตาอย่างนี้ต่อไป ถ้าเราไม่ไปขึ้นรางวัลกันเราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่หาย า, ยากสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากสองเราได้ดำรงชีวิตอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่หายากเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่หายาก และได้มาฟังเทศฟังธรรมฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่หายากเนี่ยก็เหมือนกับเราได้ถูกกตัตาตอรี่รางวัลที่หนึ่งสี่ครั้งด้วยกันเอได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ครั้งหนึ่งได้มีชีวิตอยู่ก็ครั้งที่สองได้พบกับการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเอและได้ฟังเทศฟังธรรมถูกกตัตาตอรี่รางวัลที่หนึ่งสี่ครั้งด้วยกัน สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องไปขึ้นรางวัลกัน mm hmm. เมื่อเราได้พบกับสิ่งที่หายากสี่ประการมันก็จะส่งให้เราไปทำในสิ่งที่หายากอีกสองอย่างก็คือได้ปฏิบัติธรรมได้บวชกัน mm hmm. การได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่เป็นของง่ายใครจะปฏิบัติธรรมกันบ้าง mm hmm. นับดูคนในประเทศไทยนี้เป็นชาวพุทธแท้แท เก้าสิบเก้าจุดเก้าเเซนแต่ที่ปฏิบัติทำกันจริงๆปฏิบัติกันเป็นหลักเป็นเกณฑ์ปฏิบัติกันอย่างถูกต้องนี้มีสักกี่กี่คนแล้วการที่จะปฏิบัติอย่างเต็มที่คือออกบวชการที่จะรับรางวัลที่หนึ่ง น, นี้ต้องออกบวชเพราะว่าถ้าปฏิบัติแบบรุ่มๆุ่มดอนดอ น, ดอนแบบเช้าชามเย็นชามนี้ยังไม่มีวั ยังไม่มีวันที่จะขึ้นรางวัลได้เหมือนกับการเดินทางเดินไปด้วยเท้าเปล่าเดินไปขึ้นรางวัล น, นี่กว่าจะไปถึงที่จะขึ้นรางวัลอาจจะตายไปเสียก่อนแต่ถ้าเรามีรถนั่งไปนี่นั่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ไปถึงเราก็สามารถไปขึ้นรางวัลได้เลยพระพุทธจเจ้าทรงรับประกันเลยว่า ถ้าได้ออกบวชได้ปฏิบัติธรรมแล้วตามที่พระ อ, องค์ทรงสอนนี่เจ็ดวันก็ขึ้นรางวัลได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนอเผื่อลถเสียวิ่งไปรถอาจจะเสียกลางทางก็ซ่อมซะหน่อยหรือถ้าเสียมากก็อาจจะเจ็ดปีแต่รับรองได้ว่าจะได้ขึ้นรางวัลภายในภพนิชานี้อย่างแน่นอนถ้าเราออกบวชกันถ้าเราปฏิบัติกันแบบนักบวช เราก็จะได้มากผลนิพพานกันซึ่งเป็นของที่หายากที่สุดเนี่ยเท่เาๆกับาการปรากฏของพระพุทธเจ้าการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือการบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่การบรรลุของภาษาวกนี่ง่ายกว่ามากหลายเท่าเพราะว่ามีคนบอกทางมีคนบอกวิธีมีคนสอนเหมือนกับคนตาบอดที่มีคนตาดี นำทางแต่พระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนคนตาบอดคำทางหาทางเอาเองหาพระนิพพานด้วยพระ อ, องค์เองยากกว่าพวกเราที่มีพระพุทธเจ้าเป็นคนพาไปพระนิพพานแต่ก็ยังยากอยู่สำหรับพวกเรามีใครบ้างที่ได้บรรลุพระนิพพานกันที่เรารู้ๆกันในประเทศไทยมีสักกี่ก่คนกี่องกัน ก็นับได้ตั้งแต่หลวงปู่ม่นลงมาเนี่ยหลวงปู่ม่นนลูกสิษ์หลวงปู่ม่นต่างๆรวมกันไม่ถึงร้อยหรือเปล่านี่คือผู้ที่ได้ไปถึงพระนิพพานเพราะได้พบกับสิ่งที่หายากสี่ประการได้เกิดเป็นมนุษย์ได้ดำรงชีพอยู่ไม่ตายไปเสียก่อนที่จะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้พบกับพระพุทธศาสนา แล้วก็ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้ออกบวชได้ปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจอนในที่สุดก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งขั้นที่หนึ่งก็โสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลขั้นที่สองก็คือส ก, กิดาคามีมรรคส ก, กิดาคามีผล ขั้นที่สามก็คืออนาคามีมรรคอนาคามีผลขั้นที่สี่ก็คืออาาาัลลัตตะมรรคอัลัตตะผลพอได้ขั้นอาัาาลัตตะผลก็จะได้พระนิพพานเป็นรางวัลคือไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกต่อไปถ้าเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามียังยังไม่หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิด พระโสดาบันยังติดอยู่อีกเจ็ดชาติกันอย่างมากพระสกิราคามีก็ติดอยู่อีกชาติหนึ่งในการมมาพบส่วนพระอนาคามีก็ไปติดอยู่ในรูปภพอารูปภพแต่พระอรหันต์นี่ไม่ติดอยู่ในตายภพไม่ติดในไม่ติดอยู่ในการมมาพบไม่ติดอยู่ในรูปภพไม่ติดอยู่ในอารูปภพได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ท่านถึงได้ไปพระ น, นิพพานพระนิพพานก็คือที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ต่างๆที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับสิ่งที่หายากอยู่สี่ประการด้วยกั น, นั้นอย่าปล่อยให้รางวัลที่หนึ่งที่เราได้รับนี้สูญเปล่าไปด้วยการไม่ไปขึ้นรางวัลเราได้ถูกรางวัล ที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาแล้วเราได้มรรคผลนิพพานแล้วได้ถูกมรรคสี่พ้นสี่นิพพานหนึ่งแล้วแต่เรายังต้องไปขึ้นรางวัลกันตอนนี้เราได้แต่กระดาษมาใบหนึ่งที่บอกว่าหมายเลขนี้หมายเลขนี้เอมีเลขนี้เลขนี้อยู่ในกระดาษใบนี้เล่นรางวัลที่หนึ่งขอให้เอาไปขึ้นรางวัลกันเอ เราก็ได้กระดาษใบนี้ที่บอกว่าเราได้มาเป็นมนุษย์กันเรายังมีชีวิตอยู่กันจนถึงบัดนี้เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้มาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขั้นต่อไปเราก็ต้องนาเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัตินี่คือวิธีขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาต้องไปปฏิบัติ ถ้าอยากจะขึ้นรางวัลให้มันทันในภพนี้ชาติ้ก็ต้องออกบวชกันดูผู้ที่ไปขึ้นรางวัลที่เขาได้รางวัลกันีหยเป็นนักบวชกันทั้งนั้นไม่มีใครที่เป็นคารวะกันหลวงปู่มั่นนลวงปู่เสานลวงปู่สิงห์นลวงปู่ขาวหลวงปูแ่แหวนหลวงปู่ฟันหลวงปู่ท่านพ่อลี น้องตามหาบัวท่านเหล่านี้เป็นนักบวชทั้งนั้นท่านไปขึ้นรางวัลกันแล้วท่านก็ได้มากผลนิพพานกันตายไปกระดูกของท่านก็กลายเป็นพระาธาตุเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันว่าได้ไปถึงพระนิพพานแล้วได้กระดูกใครนี้ตายไปแล้วกลายเป็นพระาธาตุไปนี่แสดงว่าจิตได้ไปถึงพระนิพพานแล้วจิตสะอาดบริสุทธ จิตปราศจากโลภกดหลงปราศจากตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุที่ดึงให้จิตมาเวียนว่ายตายเกิดกันแลนะจิตสะอาดบริสุทธ์นี้แหละที่ซักพอกธาตุซักพอกกระดูกให้กายเป็นพระธาตุขึ้นมาแต่ก็ไม่ในหมายความว่าผู้ที่ไปถึงพระนิพพานทุกรูปกระดูกจะต้องกลายเป็นพระธาตุไปทุกรูป กขึ้นอยู่กับเวลาที่ได้บรรลุว่าได้บรรลุนานหรือไม่นานก่อนที่จะตายไปถ้าได้บรรลุนานจิตก็จะมีเวลาซักพอกมากโอกาสที่จะซักพอ่อกระดูกให้กายเป็นพระธาตุก็มีมากแต่ถ้าบรรลุ ก, ก่อนตายไม่นานเวลาที่จะซักพอ่อกก็จะน้อยก็อาจจะไม่สามารถซักพอ่อกระดูกให้กายเป็นพระธาตุได้ เหมือนกับการซักผ้าถ้าเราซักผ้าถ้าเราแช่ผ้าไว้นานมันก็จะซักพอกผ้าซักเสื้อผ้าให้ขาวสะอาดได้มากกว่าถ้าเราแช่ไว้เดี๋ยวเดียวแต่เรื่องเหล่านี้ก็ไม่ไปใช่เป็นเรื่องสาคัญอะไรสำหรับพวกเราเพียงแต่ให้เรารับรู้ว่าพระท่านนี้มาอย่างไรมีการเป็นไปนเป็นมาอย่างไรทั้งนั้นเองเพื่อเราจะได้หายสงสัย และเข้าใจว่าการเป็นพระธาตุนี้เป็นขึ้นมาได้อย่างไรแต่มันไม่เป็นประโยชน์อะไรกับพวกเราถึงแม้เราจะได้รับพระธาตุมาไว้ครอบครองมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะการได้รับพระธาตุมาครอบครองไม่ได้ทำให้กระดูก ข, ของเรากลายเป็นพระธาตุไปไม่ได้ทำให้ใจเราถึงพระนิพพานการมีพระธาตุไว้ครอบครองนี้เป็นเพียงแต่เป็นการยืนยันความจริงว่า ถ้าเราได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเข่งครัดเนี่ยอย่างสุปฏิปิัติดีสุปฏิอย่างปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างสุปฏิปันโนนี้รับรองได้ว่าเราจะทำให้กระดูกของเรากลายเป็นพระาธาตุขึ้นมาได้เพราะเราจะทำให้ใจของเราสะอาดบริสุทธิเ์เมื่อใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงปราศจาก กามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาแล้วใจของเราก็จะซากข้อกระดูกของเรานี้ให้กลายเป็นพธาธาขึ้นมานี่คือสิ่งที่หายากที่พวกเรานี้ได้มาแล้วสี่ประการด้วยกันแต่เรายังต้องทำสิ่งที่ทายากอีก อีกอย่างหนึ่งก็คือการปฏิบัติการบวชเราถึงจะได้สิ่งที่หายากที่สุดก็คือได้พระนิพพานมาเป็นสมบัติของพวกเราเราจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองพระพุทธเจ้าปฏิบัติให้เราไม่ได้พระอริยสงสาวกปฏิบัติให้เราไม่ได้ท่านเป็นเพียงแต่ผู้บอกทางเป็นผู้ชี้ทาง เป็นผู้สอนวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเราจึงต้องศึกษาพราะธรรมคาสอนจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระอริยสงสาว ก, ก็ดีจากพระไตรปิฎกก็ดีเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเ ร, รู้จักวิธีที่ถูกต้องแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติ เราต้องปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัตินัททรงได้ปฏิบัติมาเองภาษาวกก็เหมือนกันท่านก็ปฏิบัติเหมือนกับพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการท่านทำทานด้วยการสละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองพระพุทธเจ้าทาทานด้วยการสละราชสมบัติมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรสละหมด ยกให้คนอื่นทําทานเหมือนกับวันนี้ญาติโยมก็มาทําทานแต่ยังทําไม่หมดเท่านั้นเองทําบางส่วนเรียกว่าเป็นการซ้อมทํากันไปก่อนฝึกกันไปก่อนเพราะตอนนี้เรายัางไม่มีกําลังที่จะทําให้หมดเพราะธรรมที่มีอยู่ในใจเรายัางมีน้อยเรายัางฟังเทศฟังธรรมไม่ถึง ถึงจุดที่จะทําให้เราพร้อมที่จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมดครเราจึงทําได้เพียงบางส่วนแล้วถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วปฏิบัติไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปทำก็จะมีกําลังมากขึ้นในใจของเราแล้ววันหนึ่งมันก็จะทําให้เราทําทานได้อย่างเต็มที่สละได้หมดมีรทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไร ยกให้คนอื่นไปหมดเพื่อที่จะได้ไปบวชไปปฏิบัติอย่างสามีภรรยาที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหรือผ้าจานรพรมท่านก็ไม่มีบุตรไม่มีทิดาแต่เป็นเศรษฐีมีนามีไร้มีที่มีมีทรัพย์มีสมบัติต่างๆเมื่อธรรมของท่านมีกำลังมากก็ทำให้ท่านอยากจะออกบวชกันทั้งสองคน ทั้งสามีทั้งภรรยาท่านก็เลยประกาศบอกชาวบ้านว่าใครต้องการอะไรที่ท่านมีอยู่นี้ขอให้มารับไปเลยใครอยากได้วัวได้ควายก็มาเอาไปใครอยากได้ที่ก็มาเอาไปใครอยากได้บ้านก็มาเอาไปเพราะท่านไม่มีญาติพี่น้องไม่มีไม่มีลูกไม่มีหลานท่านก็เลยยกให้ชาวบ้านไปเนี่ยเมื่อเมื่อจิตมันไปได้ทำในระดับหนึ่งแล้ว มันจะไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเรื่องของลาบยศสรรเสริญเรื่องของความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี่ท่านไม่ต้องการแล้วแสดงว่าท่านต้องได้สัมผัสกับธรรมอย่างแน่นอนธรรมก็คือความสงบที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าไม่ได้ทำระดับนี้แล้วคิดว่าไปยากเพราะว่ามัน มันไม่มีอะไรเป็นที่หล่อเลี้ยงจิตใจนั่นเองเพราะยังต้องอาศัยลาบยศสรรเสริญยังอาศัยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่ก็จะทำให้การที่จะสลัดลาบยศสรรเสริญสุขสละรูปเสียงกลิ่นรสไปนี้เป็นของที่ทาได้ยากมากเพราะไม่มีอะไรมาทดแทนนั่นเองแต่ถ้าได้สัมผัสกั บ, กบความสงบแล้ว จะมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสปุถะภาก็จะทาให้มีกําลังที่จะสละความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสปุถภะไปได้อย่างง่ายดายแล้วก็ไปบาเพ็ญไปบวชไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาต่อไปได้อย่างเต็มรูปแบบ เพราะความสงบที่ได้สัมผัสนี้ยังเป็นส่วนแรกเป็นเหมือนหนังตัวอย่างเป็นเหมือนกับสินค้าตัวอย่างบริษัทต่างๆที่เวลาเขาจะแนะนำสินค้าใหม่เขามักจะมีสินค้าตัวอย่างมาแจกให้ผู้ที่ไม่ได้ไม่ได้สัมผัสกับสินค้านี้มาลองสัมผัสดูถ้าเป็นสบู่ก็เป็นสบู่ก้อนเล็กๆถ้าเป็นกาแฟก็เป็นกาแฟซองเล็กๆ ให้ลองออกไปชิมดูเมื่อชิมแล้วถูกใจก็จะได้มาซื้ออสินค้าที่เขาเอามาให้ทดลองดูดังนั้ผู้ที่ได้บําเพ็ญจนถึงได้ขั้นของความสงบจิตสงบแล้วได้สัมผัสกับความสุขอันนี้ก็เป็นเหมือนกับการได้ได้รับสินค้าตัวอย่างมาทดลองเพราะมันเป็นความสงบชั่วคราว สงบได้ไม่นานสงบได้เดี๋ยวเดียวแต่ทําให้รู้ว่ามันดีขนาดไหนทําให้เกิดศรัทธาเกิดฉันทะวิริยะที่อยากจะได้ความสุขแบบนี้ให้มากขึ้นก็จะทําให้มีความปรารถนาที่จะมาซื้อสินค้าอันนี้วิธีซื้อความสงบก็คือมาปฏิบัติทำกันมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากัน มาบวชกันนั่นละจึงทำให้ท่านสามารถที่จะสละสิ่งที่พวกเรายังรู้สึกว่าสละกันได้ยากคือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้เพราะเรายังต้องอาศัยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้มาให้ความสุขกับเรานั่นเองแต่ถ้าใครได้สัมผัสกับความสงบแล้วแม้แต่แม้แต่เพียงครั้งเดียว จะพร้อมที่จะสละทรัพย์สมบัติก้าวของเงินทองต่ า, างๆไปให้หมดเลยเพราะไม่ต้องการมัน แ, นแล้วเพราะมันเป็นตัวถ่วงแล้วแทนที่จะเป็นตัวสนับสนุนให้ความสุขกลับเป็นตัวถ่วงไม่ให้เราได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากความสงบเราก็ต้องทิ้งมันไปเพื่อที่เราจะได้มีเวลาเป็นอิสระที่จะไปบาเพ็ญ น, นั่นเอง ถ้าเรายังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราเก็ยังต้องคอยดูแลรักษายังต้องคอยหามาเติมอยู่เรื่อยๆเพราะแสดงว่าเรายังต้องพึ่งมันอยู่นั่นเองแต่ถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งมันอีกต่อไปจิตของหลวงปู่พรมนี้คงจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างแน่นอนถ้าจิตยังไม่ได้สัมผัสกับความสงบนี้เท่งยาก ทิ้งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เป็นความสุขได้ยากอย่างพวกเราตอนนี้ก็ทิ้งกันไม่ได้เพราะพวกเรายังไม่ได้สัมผัสกับความสงบนะยังไม่ได้เห็นจิตรวมกันถ้าจิตรวมลงเมื่อไหร่นะได้สัมผัสกับความสงบแล้วทีนี้มันทิ้งได้พระพุทธเจ้าก็ได้สัมผัสแล้วตั้งแต่ตอนที่ทรงพระชนยา ว, วัยพอดีเป็นโอกาส อโอกาสวิเศษที่เกิดขึ้นเพราะว่าวันนั้นพระองค์ได้ทรงประทับอยู่ตามลําพังภายใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเพราะวันนั้นพอดีมีงานงานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วบรรดาบริษัทธบริวารที่ห้อมล้อมพระองค์นี้ต้องไปช่วยงานก็หลยก็เลยปล่อยให้พระองค์ประทับอยู่ตามลําพัง พอประทับอยู่ตามลำพังพระทัยของพระองค์ที่มีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ใจไม่คิดปรุงแต่งพอไม่มีอะไรห้อมล้อมมาคอยดึงใจให้ไปคิดใจของท่านก็รวมเข้าสู่ความสงบได้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องนั่งหลับตาพุทโธเพียงแต่อยู่ในที่สงบไม่สงบสงัดวิเวกไม่มีเสียง แสงสีเสียงอะไรมาคอยดึงจิต ด, ดึงใจของท่านให้ไปคิดปรุงแต่งใจของท่านก็รวมเข้าสู่ความสงบได้ทันทีอันนี้แหละจึงทำให้ท่านมีพัฒมีมีกำลังที่จะสามารถสละราชสมบัติได้เมื่อถึงเวลาพอถึงเวลาที่พระ อ, องค์เห็นว่าต้องไปแล้วพระ อ, องค์ก็เลยสละราชสมบัติออกบวชได้ภายในคืนนั้น เกิดที่พระมเหสีได้คลอดพระราชโชลดออกมาพระองค์ทรงเห็นว่าถ้าอยู่ต่อไปก็จะต้องไปไม่ได้เพราะจะต้องมีภาระเลี้ยงดูลูกเป็นบวงท่านทรงตัดว่าลูกคือบวงบ่วงภาษาบาลีก็เรียกว่าราหุนราหุนเขาก็เลยตั้งชื่อลูกของพระพุทธเจ้าว่าราหุนนี่คือการทําทานของผู้ที่จะต้อง ผู้ที่ต้องการพระนิพพานต้องสละสมบัติต้องทําทานทั้งหมดมีร้อยก็สละไปทั้งร้อยมีพันก็สละไปทั้งพันไม่เอาแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องการเอาเงินทองเพราะไม่ต้องใช้เงินทองซื้อพระนิพพานแต่ต้องมีเวลาไปปฏิบัติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาต่อไปพอทําทานแล้วขั้นต่อไปก็ไปรักษาศีลกัน ถ้าทำทานแบบนี้แล้วไม่ต้องกลับมาทำทานอีกไม่ต้องมาบวชแล้วไปทำผ้า ป, ป่าไม่ต้องไปทำกฐินไม่ต้องไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ไปทำอะไรทั้งหมดแล้วงานเหล่านี้ไม่ใช่งานของผู้ที่ต้องการไปพระนิพพานแล้วงานของผู้ที่ต้องการไปพระนิพพานนี้ทำอย่างเดียวคือศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นอย่าหลงทางบางคนออกบวชแล้วก็ยังไปติดอยู่กับการไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิ สร้างเมนถวายผ้าปลาถวายผ้ากริ่นร้อยแปดประการเพราะคิดว่าเป็นบุญที่จะส่งไปพระนิพพานไม่ใช่บุญนั้นเราทําหมดแล้วเราทําบุญเราสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงนทองไปหมดแล้วเงินทองที่เหลืออยู่ถ้าเราเป็นผู้ที่ยังต้องใช้เงินมาในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันก็เป็นเงินทองที่ใช้ในการอ บำเพ็ญไม่ได้ไม่ใช่เป็นเงินทองที่เราจะเอาไปทําบุญทําทานเช่นศรัทธาญาติโยมที่เป็นผู้หญิงบางคนอาจจะบวชแล้วบวชแล้วยังต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยตนเองก็ต้องมีเงินทองมาซื้ออาหารไว้รับประทานเงินทองนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเอาไปทําบุญทําทานเอ า, าเพื่อมาสนับสนุนในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเท่านั้น อย่าหลงประเด็นนั้นเห็นแม่ชีเห็นญาติโยมบางคนบวชแล้วก็ยังไปยุ่งกับเรื่องการทําบุญกระถินการทําบุญผ้าปา่าไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อันนี้แสดงว่ายังไม่พ้นขั้นฐานยังติดอยู่ที่ขั้นฐานอยู่พวกที่พ้นขั้นฐานแล้วไม่ยุ่งกับเรื่องทานอีกต่อไปบวชแล้วก็มุ่งไปสู่การเจริญศีนสมาธิปัญญารักษาศีนแปดนักษาสีลสิบน 8, ักษาศีน 10, สองรอยี่สิบ กว่าให้สะอาดบริสุทธิ์ไมาให้ด่งพร้อยแล้วก็เจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิเจริญสติตั้งแต่ตื่นถึงหลับเลยไม่ปล่อยให้จิตนี้ไหลไปตามกระแสของความคิดปรงแต่งต่างๆใช้สติหยุดมันใช้พุทโธหยุดมันใช้มรณานณสติหยุดมันใช้กายะกะตาสติหยุดมันอาการสามสิบสองผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก ท่องมันเข้าไปให้มันมีคำถามกรรมฐานก็ให้มีกรรมฐานกำกับใจอยู่ตลอดเวลาแล้วใจมันจะดิ้นไม่ได้ใจมันจะต้องเข้าสู่ความสงบเพียงอย่างเดียวแล้วพอมันสงบแล้วออกมาก็ใช้กรรมฐานมาสอนมันสอนมันให้มันรู้ความจริงต่างๆว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เป็นอาการสาสองเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอสุภะอาหารที่รับประทานก็เป็นปฏิกกลไม่น่ารับประทานไม่ได้รับประทานด้วยความอยากรับประทานเหมือนรับประทานยาเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เพื่อที่จะได้ปฏิบัติทําให้จนถึงเป้าหมายที่ต้องการเท่านั้นถ้ารับประทานอาหารก็ไม่ได้รับประทานด้วยความหลงหลข้างใครในรูปในเสียงในสีในกลิ่นของอาหาร รับประทานเหมือนรับประทานยาเท่านั้นเองนี่คือกรรมฐานที่เราจะต้องมีไว้ในใจเราจะได้สมาธิเราจะได้ปัญญาถ้าเราได้สมาธิได้ปัญญาแล้วเอวิมุตติก็จะปรากฏขึ้นมามรรคผลนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาเมื่อได้มันเมื่อได้ถึงพระนิพพานแล้วก็เอวังการบําเพ็ญก็ถึงจุดที่ไม่ต้องทําอีกต่อไป สร้างบ้านเสร็จแล้วไม่ต้องทำไม่ต้องสร้างแล้วบ้านสำเร็จแล้วทีนี้ก็เข้าไปอยู่ในบ้านให้สบายนอนให้สบายกินให้สบายทำอะไรอยู่ในบ้านอย่างสบายเพราะบ้านเป็นบ้านที่ปลอดภัยบ้านที่ปลอดจากการเวียนว่ายตายเกิดบ้านที่ปลอดปลอดจากการเกิดแก่เจ็บตายบ้านที่ปลอดจากการพัดพากจากกันบ้านที่ปลอดจากภัยอันตรายต่าง ที่พวกเรากำลังประสบกันในปัจจุบันนี้ในขณะนี้เรายังเจอกับภัยต่างๆภัยธรรมชาติภัยมนุษย์ภัยสัตว์เดรัจฉานโลกภัยไข้เจ็บภัยความแก่ภัยความตายเรายังต้องทุกข์กันอยู่เพราะเรายังสร้างบ้านของเราไม่เสร็จนั่นเองถ้าเราสร้างบ้านของเราเสร็จแล้วสร้างพระนิพพานขึ้นมาแล้ว เราก็จะมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยจากภัยทั้งหลายนี่คือเรื่องของการที่เราได้มาพบกับสิ่งที่หายากสี่ประการเหมือนกับถูกถลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสี่ใบสิ่งที่เราต้องทำก็คือไปขึ้นรางวัลกันวิธีขึ้นรางวัลก็คือเราต้องปฏิบัติแบบนักบวชเราต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทิ้งไปให้หมด อย่าไปยุ่งกับมันมันทำให้เราเสียเวลาจะไม่ทำให้เราได้ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างเต็มที่ถ้าเราอยากจะปฏิบัติอย่างเต็มที่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเราต้องไม่ไปทำบุญทำทานแล้วทำมันทีเดียวครั้งเดียวให้มันเสร็จไปเลยมีเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นเขาไปให้หมดถ้าจะต้องเก็บไว้ก็เก็บไว้เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาเท่านั้นคือจ่ายค่าอาหารจ่ายที่พัก จ่ายค่าใช้จ่ายอะไรที่จําเป็นจะต้องจ่ายถ้าเราไม่ได้เป็นพระเออหรือถ้าเราบวชเป็นแม่ชีแล้วมีคนสนับสนุนเราก็ไม่ต้องใช้เงินทองแม่ชีบางคนเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีคนกาสนับสนุนเองมีอาหารมาให้กินมีที่อยู่ให้อยู่มีอะไรทุกอย่างเหมือนกับพระยังไม่ต้องกังวล ถ้าเราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วรับรองได้ว่าเรื่องปัจจัยสีน่นี้จะมีคนคอยสนับสนุนอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนมีแม่ชีสองคนที่เขาปั้นเป็นหุ่นที่พึ่งที่ปฏิสฐานอยู่ในวัดยาเ น, นี่ยแม่ชีคนหนึ่งชื่อแม่ชีแก้วแม่ชีคนหนึ่งชื่อกอเขาสวนหลวงเขาก็รับถือเขาก็เชื่อว่าท่านได้ถึงพระนิพพานแล้วขณะที่ท่านอยู่ท่านก็ อยู่แบบนักบวชอยู่แบบพระมีคนสนับสนุนเรื่องปัจจัยสี่อย่างเต็มที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอย่างนั้นถ้าเราอยากจะปฏิบัติอย่างเต็มที่อยา ก, กังวลเรื่องเงินทองอเดี๋ยวมันมาเองถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเดี๋ยวมีคนมาสนับสนุนเองนี่คือเรื่องของสิ่งที่หายากสี่ประการคือการได้เกิดเป็นมนุษย์การได้มี ชีวิตอยู่อย่างจนถึงปัจจุบันนี้การเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์และการได้ยินได้ฟังธรรมเป็นสิ่งที่พวกเราได้มีกันแล้วดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็ไปขึ้นรางวัลเพราะการที่เราได้สิ่งที่หายากสี่ประการนี้เหมือนกับการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเมื่อถูกแล้วเราก็ต้องไปขึ้นรางวัล การที่เราได้สิ่งที่หายากสี่ประการนี้ก็ถือว่าเราได้พระนิพพานแล้วนี่เราก็ต้องไปขึ้นรางวัลไปรับพระนิพพานวิธีรับพระนิพพานก็คือต้องไปทำทานสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแล้วก็ออกบวชกันถือศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดกั น, 8, 10, กนแล้วรับรองได้ว่ารางวัลที่หนึ่งคือพระนิพพานก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับกันอย่างแน่นอน การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิตโตทินงังเปตานาังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิป้าเมวะสเมจโต สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยทามนิโชติระโสยทัส i ีติโยวิวัจจันตุสัพรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายสุขีทีคายุโกภวะ อาพิวาธานสีริจนะนิจังวุธาปจายโนจตาโรโธรร ม, มาวาทานติอายุวโนโสุขังภาลาําำดับต่อไปก็เป็นช่องถามตอบปัญหาธรรม ท่านที่มีคําถามอยากจะถามก็ขอเชิญเข้ามาถามได้ในช่วงนี้เลยมีไมโครโฟนให้ท่านได้ถามเพราะคนจะได้ยินทั้งคําถามทั้งคําตอบถ้าไม่มีครับถ้าจะถามขอให้ถามในช่วงนี้เพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วจะขอยุติของงดการตอบถา ม, ถามตอบปัญหาะ ถ้าอยากจะถามในช่วงนี้ถึงก่อนเวลาเลิกนี้เข้ามาได้ถ้าตอนนี้ยังไม่สะดวกจะรอฟังไปก่อนก็ได้ฟังไปแล้วอาจจะเกิดคำถามก็ค่อยเข้ามาถามก็ได้ตอนนี้เอาคำถามจากทางบ้านมาถามก่อนก็แล้วกันคำถามจากทางบ้านจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม้อที่หนึ่งหากเราเคยทาผิดสัญญากับที่ทางานโดยออกจากงานก่อนกำหนดสัญญาโดยไม่เสียค่าปรับ ซึ่งทางบริษัทก็ไม่ติดใจตามทวงค่าสัญญาใดๆเช่นนี้บาปไหมคะเรื่องผ่านมาแล้วสองปีแต่มันยังค้างคาใจเราอยู่จะทำเรื่องตามไปจ่ายก็มีความยุ่งยากในการติดต่อเนื่องจากเป็นบริษัทที่อยู่ต่างประเทศบาปเช่นนี้จะมีผลต่อการเจริญทางโลกและทางธรรมไหมคะ อ, อ๋อถ้าทางบริษัทที่เป็นคู่กรณีของเราก็ไม่ เขาไม่เอาเรื่องก็ถือว่าจบไม่บาปแต่อย่างใดข้อที่สองหากการปฏิบัติมีอัธยาศัยชอบนั่งสมาธิมากกว่าการเดินจงกรมเลยใช้เวลานั่งสมาธิมากกว่าหรือไม่ได้เดินจงกรมเช่นนี้จะได้ไหมคะได้ถนัดอันไหนก็ทําไปนี่คิดว่าคงจะทําไม่มากถ้าทํามากๆก็ต้องเปลี่ยนนิรยาบุตเอง ถ้าปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนให้นั่งทั้งวันทั้งคืนก็คงจะนั่งไม่ไหวก็จะต้องเปลี่ยนเป็นการเดินจงกรมเองแต่ถ้าปฏิบัติวันละชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ก็ไม่ต้องเดินก็ได้นั่งอย่างเดียวก็ได้คำถามจากคุณสาวธนวงผมอยากเรียนฝึกกรรมฐานมากแต่ยังหาครูบาอาจารย์สอนให้ไม่มีเลยครับการที่เราจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแต่ไม่มีครูบาอาจารย์สอน จะปฏิบัติได้ไหมครับหรือทาอย่างไรบ้างครับก็ฟังเทศฟังธรรมนี่ไปเนี่ยกำลังสั่งกำลังสอนวิธีปฏิบัติอยู่แล้วคำถามจากคุณมีนาอมรเท่าที่เคยได้ฟังมาเรื่องการพิจารณากายเพื่อเข้าสู่ความสงบทำให้เกิดสมาธิขอพระอาจารย์ช่วยชีย้แนะแ น, นวทางการปฏิบัติว่าควรทำหรือพิจารณาอย่างไรปกติใช้พุโทโธเป็นอารมณ์กรรมฐานค่ะ ได้แล้วแต่ความถนัดเนี่ยถ้าเราถนัดจะใช้การพิจารณากายก็พิจารณาอาการสาสิบสองไปแทนพุทโธก็ได้แทนที่จะพุทโธพุทโธเราก็ไปเกสาโลมานาขาทันตาตะโจหรือถ้าเราจะเอาคําแปลก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกถ้าเราคิดอยู่กับอาการสามสิบสองก็เหมือนกับเราคิดอยู่กับพุทโธใจก็จะไม่ไปคิดถึงข น, น, นมนมเนยไม่คิดถึงที่เล่นที่เที่ยวที่กินที่ดื่ม ใจก็จะไม่ฟุง้งใจก็ไม่อยากใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้แต่เวลาจะสงบให้อย่างเต็มที่นี้ต้องเอาอาการใดอาการหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ไม่ต้องท่องทั้ง32อาการแต่ตอนเริ่มต้นนี้ถ้าใจเราฟุง้งเราก็32ออาการไปก่อนเพื่อไม่ให้มันฟุง้งพอมันเริ่มสงบแล้วอยากจะให้มันนิ่งเต็มที่ก็เลือกอาการใดอาการหนึ่งเช่นผมก็ผมผมผมไปเรื่อยๆหรื อ, รอขนก็ขนไปเรื่อยๆ หรกระดูกก็กระดูกกระดูกไปเรื่อยๆอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้มันอยู่กับเรื่องเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เหมือนกับพุโทโธพุธโทโธคําถามจากคุณทีรวีศีลข้อสามในศีนแปดนั้นหมายรวมถึงว่าไม่สัมผัสถูกเพศตรงข้ามด้วยหรือไม่ครับอันไม่หรอกหมายถึงร่วมหลับนอนกันแต่ เพื่อความปลอดภัยเพื่อที่จะไม่ให้มันไปล่วงละเมิดศินขอน้อนี้เขาก็เลยมีมาตรการป้องกันไว้ก่อนคือน้ำน้ากับไฟน้ำมันกับไฟนี้เขาไม่เอาไว้ใกล้กันหรอกเพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวเกิดมันพลาดขึ้นมามันลุกขึ้นมาได้ดังนั้นการแตะเนื้อต้องตัวก็เหมือนกับเป็นการเอาน้ำกับไฟมาเจอกันมาอยู่ใกล้กันเขาก็เลยพยายามไม่ให้มันใกล้กันไม่ให้มันมีโอกาสที่จะปะทุขึ้นมา พอไปแตะเนื้อต้องตัวปั๊บนี่ถ้าเกิดมันมีกิเลสฝังลึกอยู่ในใจที่มันอดอดอยากอยากเหมือนคนหิวโซนี่มันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ง่ายพอเกิดอารมณ์แล้วมันจะยับยั้งไม่ไหวแต่ถ้าสมมติว่าเราเกิดไปแตะต้องกันโดยไม่ได้มีเจตนานี่ยังไม่ถือว่าผิดศีลข้อสามแต่ว่าเขาไม่ให้แตะต้องกันเพื่อความปลอดภัยเพื่อที่เราจะได้รักษาศีลข้อสามนี้ได้ ไม่ให้อยู่ใกล้กันด้วยดีไม่ดีไม่ให้อยู่ใกล้กันสองต่อสองในที่เปลี่ยวหนุ่มสาวก็ไม่ให้อยู่ที่ใกล้ใกล้กันในที่เปลี่ยวไม่ให้พูดเกี่ยวพารารสีกันไม่ให้แตะเนื้อต้องตัวกันเพราอเดี๋ยวมันจะลุกเป็นไฟขึ้นมาแล้วมันก็จะทำให้ผิดสิงข้อสามนี้ได้ถ้าเป็นพระ ก, ก็เป็นปาราชิตไปก็เป็นสิงข้อสามเหมือนกันปาราชิตก็คือไม่ให้เสกกามเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นของพระก็ถือว่าขาดจากการเป็นพระเลยเหตนเขาถึงต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เข้าไปถึงจุดนั้นเช่นพระก็ห้ามไม่ให้อยู่สองต่อสองกับสีกาในที่รับในที่รับตารับหูไม่ให้อยู่แล้วก็ไม่ให้แตะเนื้อต้องตัวกันไม่ให้พูดเกี่ยวพารารีกันอย่างญาติโยมผู้หญิงเวลาเอาของมาถวายจึงต้องเอาผ้าวางไว้ให้รับ เพาเดี๋ยวรับกำมือเดี๋ยวนิ้วไปแตะนิ้วกันเข้าเดี๋ยวมันจะจระเอกันขึ้นมาก็<笑><笑>เลยให้ใช้ผ้าเพื่อความปลอดภัยเพื่อปกป้องรักษาศีลข้อหนึ่งของพระคือปาราชิกนี้ของโยมศีลข้อสามก็แบบเดียวกันไม่ให้แตะเนื้อต้องตัวกันเพราะว่าเดี๋ยวมันไปเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันเดี๋ยวมันจะห้ามไม่อยู่แล้วจ ะ, ะต้องทําผิดศีลไป ตั้งวันนี้ f c e b o o k เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ Facebook ตอนป้าจาย์แสดงธรรมอยู่ที่สองรสองรอเจ็ดสิบห้าครับและตอนนี้อยู่ที่สองรอคนครับส่วน YouTube อยู่ที่ยี่สิบดคนตลอดเลยครั บ, รบสาวทิ้นมักจะน้อยน ะ, ะเพราะว่าคงจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นกันาก็ติธรรมดาสามร้อยกว่า YouTube ก็ห้าสิบหกสิบก็ลดประมาณ ไปหนึ่งในสามสำหรับเฟซบุ๊กเนี่ยสาร้อยกว่าก็เหลือสองร้อยกว่าไมีคำถามเลยครับว่าไปก่อนว่าไปก่อนพูดเมื่อกี้พูดวันนี้ในใน u t u b e มีมีคนไทยจากอิสราเอลนะครับเป็นประเทศที่ยี่สบเอยี่สิบเ็ดแล้วนะครับมีคำถามมาด้วยนะครับเดี๋ยวเอาทางนี้ก่อนเชิญถามได้พูดใกล้ใหมายกับโฟนจะได้เสียงดังเวลานั่งสมาธิค่ะ ถ้าเกิดว่าเรานั่งสมาธิเสร็จแล้วอ่ะคืนนั้นนอนไม่ได้เลยค่ะก็คือจนถึงเช้าเลยก็คือสติมันมันก็ดีอย่าไปนอนอย่าถือเนสัตชิกไปเลยนานจะนอนไม่หลับสักทีก็เอาเวลาที่นอนไม่หลับนี่มาปฏิบัติให้มันเต็มที่เลยค่ะหนูนูกว่าเป็นอะไรก็คือนอนไม่หลับนะบางทีมันตื่นเต้นมันมีสติสตังขึ้นมาแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนใช่ค่ะ ก็ดีก็ทําไปเลยก็นั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปฟังเทศฟังธรรมไปจนถึงกว่ามันหาเอามันอยากจะนอนก็ค่อยไปนอนถ้ามันไม่นอนอย่าไปบังคับมันอยา่างพออยากจะนอนแล้วมันจะเครียดมันจะนอนไม่หลับยิ่งอยากยิ่งน้อนไม่หลับใหญ่แ้วเมื่อมันไม่อยากจะนอนก็เอามามันทําประโยชน์มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิ ต, ต่อมาฟังเทศฟังธรรมต่อไปเดี๋ยวมันก็หลับเองเดี๋ยวถึงเวลามันเหนื่อยเต็มที่ต่อให้เป็นช้างมันก็หลับะ ถ้าเราไม่ได้หลับสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ง่วงเองล่ะไม่ต้องไปกังวลนะมีมีบางครั้งนั่งแล้วก็เหมือนเวียนหัวค่ะมันเหมือนหมุนนั่งแบบไหนถึงเวียนหัวนั่งเฉยเฉยหรือนั่งนั่งเฉยเฉยเนี่ยค<า>่ะอย่า <ๆ S 2> ไปเฉยเฉยต้อ ง, งดูลมแล้วพุโทโธไปมันจะไม่เวียนนะต้องมีพุทโทไปหรือสวดมนต์ไปก่อนก็ได้แต่อย่านั่งเฉยเนั่งเฉยเฉแล้วเดี๋ยวมันเวียน ต้องมีอะไรกำกับใจมันเวียนเพราะใจมันไปปรุงแต่งถ้ามีอะไรกำกับใจแล้วมันจะไม่ปรุงแต่งมันก็จะเน่องอย่างเดียวมันก็จะสงบค่ะมันมันก็เป็นเฉพาะตอนที่ไม่พุโทโธเนี่ยนะคะอ่านั่นและงัะนนะ้นเวลานั่งแล้วอย่าอย่าขี้เกียจต้องพูดโธถ้าไม่พุโทโธก็ต้องสวดมนต์ถ้าไม่สวดมนต์ก็ต้องดูลมต้องมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งคอยกำกับใจไว้กานมัสการค่ะ <Boy. S 2> อ่าบอยอ่าอิสราเอลมีคําถามเข้ามาเลยมาทางยู u ูบแล้วมาทางเฟซบุ o กมาทางยูทูบครับอ่าถามได้เลยคําถามจากคุณปริญญานะครับจากอิสราเอลเขาโอกาสถามครับผมเรียนรู้ปฏิบัติธรรมตามที่หลวงตาแนะนํามาก็เริ่มทามนศีลภาวนาเรื่อยมาแล้วแต่โอกาสครับ พยายามทุกเวลาครับที่ผมคิดทําอยู่นี้ถูกต้องไหมครับขอนะคำแนะนําต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างครับเออก็ต้องเพิ่มเวลาปฏิบัติให้มากขึ้นแค่ น, นั้นเองคิดว่าตอนนี้ยังปฏิบัติไม่ไม่เต็มที่ปฏิบัติแบบมือสมัครเล่นอยู่นักกีฬามือสมัครเล่นกับ น, นักกีฬามืออาชีพนี้ฝีมือใครจะดีกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ผลมากขึ้นเราก็ต้องเพิ่มเวลาของการปฏิบัติให้มากขึ้น ต้องขยับจากมือมือสมัครเล่นไปเป็นมืออาชีพคือลาออกจากงานทิ้งลูกทิ้งเมยียไปอยู่คนเดียวไปปฏิบัตินั่นแหละถึงจะเรียกว่าปฏิบัติแบบมืออาชีพแล้วผลก็จะมีมากขึ้นไปตามลำดับคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณมดครับจาก YouTube นะฮะคุณแม่ฝากถามค่ะว่าทำไมอายุมากขึ้นสามีไม่รักเราเหมือนแต่ก่อนแถมรังเกยียจทั้งๆ ท, ที่เราทาตัวดีมาตลอด ก็แก่แนละ้วมันใครจะไปรักเราแม่าถามเลยอสังขารร่างกายพอหนังเหี่ยวผมขาวมันใครอยากอยไหเขาก็อยากจะไปหาไอ้หนูเลยรให้ดีขนาดไหนเขาไม่เขาไม่รักความดีเราหรอกเขารักรูปร่างของเราที่เขาแต่งงานกับเรานี้เขาไม่ได้รักความดีของเราเขารักรูปร่างของเราพอเรารูปร่างของเรา เฉาเหี่ยวแล้วเขาก็ไม่รักหันเลยเหมือนดอกกุหลาบดอกไม้ที่เราเสียบไว้ในใจกันใช่ั้มเวลาเสียบใหม่ๆก็โอ้ยสวยพอทิ้งไว้สักสามสี่วันนี่เฉาไปแล้ ว, ลวเหี่ยวแห้งไปแล้วแล้วก็ทำไหเาก็โยนทิ้งไปนั้นยนทำใจเถิดโยงเลยคำถามต่อไปจากคุณสเปริตครับในขณะที่นั่งสมาธิเกิดรู้สึกง่วงนอน ผมจึงเอาเครื่องดื่มชูกําลังมาดื่มแล้วนั่งต่ออย่างนี้เหมาะสมหรือผิดหรือไม่ครับไม่เหมาะสมหรอกเพราะเราไปอาศัยสิ่งภายนอกมาแก้ปัญหาแล้วเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มเป็นกลายเป็นปัญหาภไยเพราะเราก็ต้องดื่มมันอยู่เรื่อยๆแล้วต้องดื่มเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะพ อ, พอร่างกายมันปรับตัวกับฤทธิ์ของเครื่องดื่มได้มันก็จะง่วงเหมือนเดิมแล้วยิงทําไม่ได้ดื่มมันยิ่งจะง่วงใหญ่ และไม่ควรจะใช้วิธีนี้แก้วิธีแก้ก็คือไปนั่งที่ป่าช้าแทนอันนี้ไม่ได้ไม่ดังมีอะไรมากระทบกระเทือนกับร่างกายของเราอไปนั่งในป่าช้าหรืออดอาหารถ้าง่วงนอนก็อยากกินอาหารมากการกินอาหารมากก็ทําให้เกิดความง่วงนอนได้นักปฏิบัติท่านถึงได้ให้แนะนําให้อย่างน้อยถือศีลแปดขึ้นไปคือต้องไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว ถ้าถือศีลแปดยังง่วงอยู่ก็ต้องอดอดวันบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างอดมันไปจมกล่ามันจะหายง่วงอันนถ้าอยากจะได้ผลจากการปฏิบัติมันก็ต้องกล้าลงทุนการอดอาหารนี่ก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเหมือนกับการแทงหวยอยากจะถูกเยอะก็ต้องต้องแทงเยอะนะถ้าอยากจะได้รางวัลจากการปฏิบัติก็ต้องลงทุนต้องยอมอด สละความสุขทางร่างกายเพื่อที่เราจะได้มาสร้างความสุขทางใจกันไปอยู่ป่าช้าก็ได้ไปนั่งอยู่นั่งดูศพก็ได้นั่งต่อหน้าศพดูเนี่ยวัดบางแห่งสำนักบางแห่งเดี๋ยวนี้เขามีเป็นหลุมมีศพเปิดให้ดูแลให้ไปนั่งสมาธิสองต่อสองไปทดสอบอารมณ์กันอย่างนี้รับรองได้ว่าไม่มีง่วงแน่นอน คำถามต่อไปจากเฟซบุ๊กนะครับจากคุณไม่มีเราไม่มีเขาพระบวชมาไม่ภาวนาถือแต่ศีลอย่างเดียวตายไปถือกําเนิดเป็นเปรตจริงไหมครับ อ, อ๋อถ้ารักษาศี น, น่าไม่ไปหรอกถ้ารักษาศี น, น่าไม่ไปอาบายอย่างแน่นอนไม่ไปเกิดเป็นเดรัจฉาน เ, นเป็นเปรตหรือเป็นอะไรแต่ยังไปไม่ถึงนิพพานนั่นเองถ้ารักษาศีนอย่างเดียวตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่สวรรค์ก็ยังไม่ได้ไป สวรรค์จะไปก็ต้องทำบุญทำทานแต่ถ้าได้ทำบุญก่อนมาบวชแล้วรักษาศีลต่อตายไปก็ได้ไปส่งได้ไปสวรรค์แต่จะไปได้แค่สวรรค์ชั้นเทพ ถ, ถ้าอยากจะไปสวรรค์ชั้นพรหมก็ต้องนั่งสมาธิทําใจให้สงบถ้าอยากจะไปนิพพานก็ต้องมีปัญญามีวิปัสสนาไว้มาตัดกิเลสความโลภกดหลงตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจก็จะไปถึงพระนิพพานได้ <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณไมตรีครับถ้าเราคิดมากในเรื่องต่างๆควรทำอย่างไรครับก็ใช้พุทโธแทนหยุดมันอย่าไปคิดมันหัดพุทโธพุทโธไปหรือจะใช้คำบริกรรมอย่างอื่นก็ได้ใช้พุทธัทงสะนังกระฉามิกระได้ใช้บทสวดมนต์สั้นๆกระไดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธรรัสสะอะไรก็ได้ที่มาทดแทนความคิดอย่าปล่อยให้มันคิด เอาเอาธรรมะมาคิดแทนคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์ก็ได้คิดถึงอาการสามสิบสองก็ได้คิดถึงความตายก็ได้แล้วแต่อะไรที่มันเหมาะกับเราเราชอบอันใดเราก็ใช้อันนั้นมาคิดท่องมันไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะสามารถที่จะยับยั้งความคิดต่างๆได้คำถามต่อไปจากคุณวัชรพลครับปัญญาอบรมสมาธิเป็นยังไงครับ ก็เอาความจริงเอาความจริงมาอบรมจิตเช่นไปนั่งดูอสุภะอย่างนี้ก็ปัญญาอบรมสมาธินั่งดูศพศพก็คือปัญญาคือความตายคืออสุภะอันนี้ก็เป็นปัญญาพอเรานึกถึงอสุภะนึกถึงความตายจิตมันก็สงบได้ก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิถ้าใช้พุทโธพุทโธเราเรียกว่าสติอบรมสมาธิใช้สติคือพุทธานุสติพุทโธพุทโธไป คำถามต่อไปจากคุณสมชื่นนะครับถ้าปฏิบัติโดยไม่บวชจะสามารถเข้าถึงนิพพานได้หรือไม่คะได้ถ้าปฏิบัติได้ครบตามที่ที่ที่ต้องมีถ้าศีลได้มีศีลครบร้อยมีสมาธิครบร้อยมีปัญญาครบร้อยก็ได้ถึงนิพพานได้เหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่บวชแล้วไม่บวชเพียงอย่างเดียวถ้าบวชแล้วไม่ได้ศีลสมาธิครบร้อยก็ไปไม่ถึงเหมือนกัน ถ้าไม่ได้บวชแต่มีศีลสมาธิปัญญาครบร้อยก็ไปถึงนิพพานได้เหมือนกันคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณต้องนะครับรอยพระพุทธบาทที่ใหญ่โยมคิดว่าเมื่อ 2,500 ปีก่อนพระพุทธเจ้าได้มาถึงแต่ใครเป็นผู้สร้างคะหรือเป็นปฏิหารที่พระองค์ทรงสร้างไว้อยากให้คนรุ่นหลังได้รู้คะไออม่ไม่มีหรอกเป็นเรื่องพูดกันไปล่ำลือกันไปถ้าองค์พระเจ้ามันจะใหญ่ขนาดนั้นได้ยังไง นีคนเราก็ชอบมาสร้างเรื่องปฏิบัติปฏิหงปฏิหารในต่างๆเพื่อให้เกิดศรัทธาขึ้นมาเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าบอกว่าฟังอะไรต้องฟังด้วยเหตุด้วยผลอย่าฟังด้วยความเชื่อเขาบอกมาก็เชื่อตามที่เขาเชื่อกันมันต้องพิสูจน์เท้าของพระพุทธเจ้ามันจะใหญ่ขนาดนั้นได้ไง ถ้าใหญ่ขนาดนั้นตัวงพระเจ้ามันสูงขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนคนสมัยไหนบ้างที่มันจะตัวใหญ่เท้าขนาดนั้นมีที่ไหนบางทีมันเป็นลอยอะไรขึ้นมาแล้วมันดูเหมือนเท้าก็เรียกว่าออกเป็นลอยเท่าบาลขึ้นมาเห็นไหมต้นไม้บางต้นมีหน้าตาเหมือนคนยังบอกว่านี่ต้นไม้นี่เป็นคนคนนี้นี่เอาทู่เอาเทียนไปไหว้กันใหญ่เมันก็เป็นเรื่องของปรากฏของปรากฏการณ์ของธรรมชาติ ที่อาจจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับอย่างใดอย่างหนึง่งเช่นเรามองขึ้นไปบนเมฆดูเถอบางทีก็มองเห็นเป็นเป็นคนเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ใจเราจะไปจินตนาการนึกถึงมันพอมันมีอะไรคล้ายหน่อยก็เลยนึกว่าโอ้นี่แหละเห็นไหมเนี่ยเป็นเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่มีสาระอะไรทั้งนั้นเห็นเราอย่าไป อย่าไปหลงกับสิ่งเหล่านี้มันไม่มันไ ม, น ม, นมน่มันเป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบคำถามต่อไปจากคุณซูซูกิครับการนั่งฟังเทศฟังธรรมในท่าที่สบายจนเผลอหลับไปเป็นบาปไหมคะั อ, อ๋อไม่บาปแต่เพียงแต่ไม่ได้รับประโยชน์เวลาหลับไปมันก็จะไม่ได้ประโยชน์เหมือนนักเรียนที่เข้าโรงเรียนแล้วหลับเนี่ยเวลาครูสอนอะไรก็นั่งหลับนี่ย พอเวลาไปสอบก็ตกเลยใช่ไหมแต่ถ้าเวลาครูสอนอะไรไม่หลับนั่งฟังเข้าใจทุกอย่างเวลาเขาเวลาสอบก็ตอบคําถามได้ก็เท่านั้นเองการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นเหมือนกับการเข้าห้องเรียนไปนั่งเรียนไปศึกษาวิชาทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่เราฟังแล้วหลับเราก็จะไม่ได้วิชาความรู้จากการฟัง คำถามต่อไปจากคุณไมตรีครับถ้าเราโกหกหากเราถ้าเราโกหกหากเราจะมีวิธีไหนแก้ไขได้ครับถึงจะไม่เป็นทุกข์ครับก็อย่าไปโกหกครั้งต่อไปแล้วก็ไปชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากการโกหกของเราไปสารภาพบาปซะโกหกกับใครโกหกกับเมียว่าไปนอนกับใครก็ไปสารภาพเสียแล้วมันก็จะได้หายถ้ายังเก็บเอาไว้มันก็ยังทุกข์ยังกังวลอยู่ ย่างไปสารภาพเลยแล้วมันจะหายแล้วยอมรับกับวิบากที่เราไปทำามยจะตบหน้าก็ปล่อยให้มันตบไปยมไม่ซ้มหนึ่งวันคำถามจากทาง youtube นะครับจากคุณวินครับแฟนผมออกจากงานมาดูแลแม่ป่วยสิบห้าปีแล้วเหนื่อยบางครั้งก็อารมณ์ไม่ดีมีบนบ้างก็ได้ฟังธรรมพระอาจารย์และทาบุญ ไม่ทราบจะบาปใหม่ครับอ๋อไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่ามันก็เรามองเราถูกอารมณ์ไม่ดีครอบงำเราทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกไม่ดีต่อบุตรป่าราเราต้องรำลึกถึงพระคุณของท่านให้มากๆคิดถึงเวลาที่ท่านลําบากกับเราลําบากกับเรามากมายกว่า น, นี้อุ้มท้องแล้วอุ้มเราอยู่ในท้องต้องก้าเดือนเลี้ยงเราต้องก้าวเดือนเรานอนกินนอนกินตลอดเวลาแสงสบาย แล้วพอคลอดออกมาก็ยังต้องมาเลี้ยงต่ออย่ต้องมาอุ้มต้องมาอาบน้ำต้องมาอะไรปวดฉี่ปวดเยี่ยวก็ก็ต้องดึกดึกเนๆก็ล้องเรียกขึ้นมาก็ต้องรับมาบริการให้ทันทีเนี่ยคิดถึงพระคุณของท่านอย่างนี้แล้วมันจะทำให้ว่าการทดแทนบุญคุณของเรานี่ให้กับท่านนี่มันน้อยเหลือเกินอาจจะอยากจะทาให้อยากจะอยากให้ทามากกว่านี้อยากให้ท่าน ใช้เรามากกว่า น, นี้ซสี่แล้วความรู้สึกเหนื่อเหนื่อยมันจะไม่มีเลยหลายมันจะกลับจะมีความสึกว่าได้มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณของบิดามารดาคำถามต่อไปจาก Youtube นะครับจากคุณพิมพ์พิมพ์ปการครับในขณะที่เราทำกิจกรรมระหว่างวันกินเดินทำงานแล้วเราท่องบทสวดมนต์ในใจเมื่อรู้สึกตัวก็สวดแบบนี้ได้หรือไม่คะ ได้สวดมันไปเรื่อยๆสวดบทไหนก็ได้เพื่อที่จ ะ, ะกำจัดความคิดปรุงแต่งต่างๆที่มักจะปรุงไปในทางโลภกดหลงไปในทางกิเลสที่จะทำให้ใจเราวุ่นวายใจเราเดือดร้อนถ้าเราสวดมนต์ไปมันก็จะทำให้ใจเราเย็นสบายมีความสุขคะคำถามต่อไปจาก facebook ายฟ์นะครับจากคุณนพลครับถ้าตอนเป็นพระไม่สบายแล้วพยาบาลต้องตรวจเลือดพยาบาลก็ต้องสัมผัส แต่ตอนสัมผัสครูอาจารย์อยู่ด้วยเป็น3มคนแต่ในใจตอนนั้นไม่มีเจตนาอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรด้วยอย่างนี้ไม่ผิดไม่บาปใช่ไหมครับมันก็แล้วแต่ว่าเราจะถือว่าผิดหรือไม่ผิดอยู่ตรงตรงไหนถ้าถ้าตามตัวอักษรท่านก็ไม่ให้แตะต้องตัวก็ยังถือว่าผิดอยู่แต่ถ้าแตะต้องแล้วไม่มีปัญหาตามมามันก็ไม่ผิดก็ได้เพราะแต่ต้องแล้วเขาเอาเลือนไปแล้วก็จบ แต่ถ้าใจเรายังมีอารมณ์อยู่กับการแตะเนื้อต้องตัวอยู่อันนี้ก็ผิดถึงแม้ว่าจะมีคนมาคอยดูคอยอะไรก็ตามใจเรายังเริ่มปรุงแต่งคิดถึงพยาบาลคนนั้นอยู่เรื่อยๆถ้่อย่างนี้มันก็ผิดเนี่ยมันผิดทางใจแต่มันอาจจะไม่ผิดทางกายทางวินยัยทางวินยัยท่านมีไว้ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความผิดทางใจตามมาเหมือนอย่างที่เมื่อกี้อธิบายเรื่องศินแปดสินข้อสามนั่น พอไม่ให้ตัดเนื้อต้องตัวกันก็แบบเดียวกันนี้แหละเพื่อไม่ให้เกิดไฟลุกขึ้นมากลัวเดี๋ยวพยาบาลเอาเลือดไปไฟในใจลุกขึ้นมาพอหายพอหายป่วยก็ลาสิกขาไปเลยไปหาพยาบาลนั่นนะคำถามต่อไปจากคุณต้องครับวันแรกเวลาโยมไปปฏิบัติมันจะมีความรู้สึกกลัวตอนกลางคืนกำหนดพุทธโธก็ไม่หายโยมเลยบอก เอาเลยงั้นถ้าสิ่งที่โยมกลัวมันจะมีแล้วทําอะไรเราได้โยมก็ปล่อยให้มันหายเลยค่ะแต่ทําไมเวลากําหนดถึงอย่างกลัวคะก็ยังไม่ปล่อยจริงเลยถ้ายังกลัวอยู่ก็ต้องทําแบบเดิมอยู่มันจะฆ่าเราก็ให้มันฆ่าไปเลยถ้ามันปล่อยแล้วจริงๆแล้วต่อไปมันจะไม่กลัวแล้วถ้ายอมตายแล้วมันไม่กลัว ต้องยอมตายจริงๆจิตมันจะปล่อยแล้วจิตมันจะดิ่งเข้าสู่ฐานของความสงบเลยถ้ามันปล่อยจริงๆแล้วหลังจากนั้นแล้วมันจะไม่มีวันกลัวอีกต่อไปเพราะมันตายแล้วมันถือว่ามันยอมตายไปแล้วพอยอมตายได้ครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะยอมตายได้ทุกครั้งไปคาถามต่อไปจากคุณเจนจิราครับช่วยอธิบายสินข้อสามอีกหน่อยคะอ่ะจะอธิบายเลยก็ไม่ให้ร่วมหลับนอนกันก็เท่านั้นอย่าไปนอนกับใคร คำถามต่อไปจากจากคุณพิมพรครับช่วงนี้เป็นเทศกาลเชงเมงถามค่ะถ้าเราไปไหว้อัดพ่อแม่ของเราเราจําเป็นไหมว่าจะต้องนิมนต์พระสงฆ์มาสวดบังสกุลไหมค่คะแล้วถ้าไม่สวดแล้วจะได้รับหรือเวลาที่เราไหว้พ่อแม่เราจะได้กินของเราที่เวลาเราไหว้ท่านหรือไม่คะคือเชงเมงมันเป็นธรรมเนียมของชาวจีนเป็นอาจจะเป็น ลัทธิความเชื่ออย่างหนึ่งศาสนาอย่างหนึ่งว่าพ่อแม่เป็น บ, บุคคลบุคคลที่มีพระคุณถึงแม้ท่านตายจากเราไปแล้วเราก็ยังควรที่จะนำลึกถึงพระคุณของท่านโดยการไปเยี่ยมที่หลุมฝังศพแล้วก็เอาอาหารข้าวหวานไปเลี้ยงท่านแต่มันเป็นความเชื่อที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเรื่องความกาตัญญูนี้ถูกต้องดีที่เราควรยัรำลึกถึงท่านเสมอ แต่เรื่องที่จะเอาอาหารขาวหวานไปให้ท่านกินนะมันมันเป็นเรื่องไร้สาระเสียแล้วเพราะท่านกินไม่ได้เสียแล้วแล้วอาหารสารอาหารที่เราไปก็เอามากินเองอยู่ดีนะงั้นไม่ต้องเอาอาหารไปให้เสียเวลาแต่ถ้าจะนิมนต์ผ้าไปได้วใหผ้าท่านบางสกุลก็เหมือนว่าเราได้ทําบุญถวายผ้าจีวรให้ผ้าท่านได้ใส่อย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์กว่าเพราะว่าจีวรผ้าท่านก็ได้เอาไปใช้ใช้สวมใส่ได้ แล้วก็บุญที่เราได้เราก็สามารถอุทิศให้กับบิดามารดาไปได้ผู้ที่ตายไปแล้วเขาจะรับได้ก็เพียงแต่บุญที่เราอุทิศไปเท่านั้นเองถ้าไม่ไปบังสกุลที่หลุมศพจะนิมนต์พ้าไปฉันที่หลุมศพก็ได้ก็เหมือนกับทําบุญเหมือนกันทําบุญทําทานถวายทานกับพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วเราก็ได้บุญจากการทําบุญทําทานนั้นแทนที่จะเอาเงินเอาอาหารไปให้คนตายกินก็เอานิมนต์ผ้าไปกินแทนะ อาหารต่างๆที่จะไปไหว้คนตายนั่นแะก็เอาไปประเคนถวายพระนมนมณฑนท่านฉันที่หน้าหลมศพเลยแล้วเสร็จแล้วเราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลได้เพราะเราได้ทำบุญแล้วคำถามต่อไปจากทางยูทูบนะครับจากคุณธนวดีขับรถแล้วฟังเทศพระอาจารย์บางครั้งรู้สึกง่วงมากพยายามท่องพุทธโธอยู่ดีๆก็วูบขนลุก ค, ค่ะอยากทราบว่า ระวังกับสติต่างกันอย่างไรคะเหมือนก่อนหลับพยายามท่องพุทโธแต่ทําไมหลับคะแล้วการทําสมาธิไม่นอนเลยนี่ดีไหมคะถ้ามีสติมันจะไม่หลับนะถ้ามีสติมันจะตื่นขำว่าสติก็คือการตื่นตัวงั้นถ้าเราบริกรรมแล้วเราจะหลับก็แสดงว่าสติเราหมดมันก็จะหลับ คำถามต่อไปจากเฟซบุ๊กนะครับจากคุณแหวนครับทําบุญใส่บาตรหลายปีแต่ใจยังรู้สึกโลภแก้ไขยังไงครับทำให้มันมากกว่านี้สลมันอยากได้เท่าไหร่ก็เอาเงินที่อยากได้มาได้มาเท่าไหร่เอาไปทําบุญให้หมดสมมุติเราโลภอยากได้เงินอีกก้อนหนึ่งพอได้เงินก้อนนั้นมาก็เอาไปทําบุญให้หมดเลยรับรองแล้วต่อไปมันจะไม่โลภทุกครั้งที่ได้มาก็เอาไปทําบุญให้หมดอย่ากเก็บเอาไว้ หามาเพื่อทำบุญแล้วต่อไปมันก็จะไม่อยากทำเองมันก็จะเหนื่อยเองคำถามต่อไปจากคุณร็อกนะครับเมื่อสมัยหนุ่มๆผมเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาก่อนแต่ตอนนี้กลัวตายไปแล้วจะตกนรกผมก็เลยเข้าหาทางธรรมสวดมนนั่งสมาธิถวายทานอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรอย่างนี้จะสามารถแก้กรรมได้ไหมครับแก้ไม่ได้หรอกแต่สามารถที่จะ ดึงจิตให้ไปในทางที่ดีได้ถ้าบุญที่เราทำนี้มีมากกว่าบาปที่เราทำไว้เพราะเวลาตายไปนี้บุญกับบาปมันเป็นเหมือนเหมือนกับวัวสองตัวที่มันจะมาลากเกวียนไปตัวหนึ่งจะดึงไปทางเหนือตัวหนึ่งจะดึงไปทางใต้ตัวที่มีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงไปทางที่มันดึงไป ถ้าวัวทางใต้มีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงไปทางใต้ถ้าวัวทางเหนือมันมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงไปทางเหนือฉนั้นเราพยายามเลี้ยงวัวทางเหนือคือทางบุญทางสวรรค์ให้มันอ้วนให้มันมีกำลังอย่าไปเลี้ยงวัวทางทางใต้ทางบาปทางนรกถ้าวัวทางนรกเราไม่ไปเลี้ยมันเราเลี้ยงแต่วัวทางทางสวรรค์เดี๋ยวเวลาตายไปวัวทางสวรรค์มันจะมีกาลังมากกว่ามันก็จะดึงใจเราไปสวรรค์ก่อนแต บาปที่เราทําไว้มันยังมีอยู่เพราะวัวท า, ทางใต้มันยังไม่ตายเดี๋ยวพอบุญของเราที่เราใช้เลี้ยงวัวนี่มันหมดไปวัวตที่จะเดึงไปสวรรค์มันก็หมดกําลังมันก็จะมามีกําลังพอๆกับวัวที่อยู่ที่จะดึงไปทางใต้แต่วัวทางใต้ก็ดึงไปไม่ได้เพราะว่าวัวทางเหนือยังมีกําลังพอๆกันอยู่เท่ากันตอนนั้นเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อน แล้วเราก็มาทําบุญเพิ่มขึ้นไปอีกพยายามทําบุญเรื่อยๆไปจนไ ป, ไปถึงพระนิพพานอย่างองค์โคลิมานเนี่ยทําบุญไปเรื่อยๆจนถึงพระนิพพานบาป ท, ที่ฆ่าคนมาต้องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนก็ยังไม่สามารถที่จะดึงใจไปสู่นรกได้คำถามต่อไปจากคุณลิงน้อยครับการปฏิบัติให้ได้ถึงพระโสดาบันควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ปฏิบัติสินสมาธิปัญญานี่แหละ ต้องให้ได้ศีลบ่อยสุดให้ใต้สมาธิจิตรวมเป็นอุเบกขาแล้วก็ออกมาพิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปเพราะเราห้ามมันไม่ได้ถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายได้ ไม่ทุกขกับมันไม่กลัวมันเราก็จะบรรลุเป็นโสดาบาลได้คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณอนองุนุ์ครับอยากทราบว่าสุนัขที่ตายแล้วมีโอกาสไปเกิดในภพชาติที่ดีใหม่เจ้าคะถ้าเราอุทิศส่วนกุศลให้ดจะได้รับไหม่เจ้าคะได้ถ้าเขาตายไปแล้วถ้าเขาหมดเวรหมดกรรมเขาก็มาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วถ้าก็มาทำบุญทำกุศลมากกว่าทำบาปต่อไปเขาก็ไปสวรรค์ชั้นต่างๆไปนิพพานได้เหมือนกันพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าก็เคยเป็นสัตว์ชนิดต่างๆมาก่อนเคยเป็นราชสีในนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมเนี่ยราชสีก็คือพระโพธิสัตว์เนี่ยกระต่ายนี่มันพอนอนอยู่ใต้ต้นตาลลูกตาลหล่นลงมาก็คิดว่าแผ่นดินถลม่มก็เลยกระโดดวิ่งหนี สัตตัวเนี่ยเห็นเข้าก็ถามว่หนีอะไรมามันก็บอกแผ่นดินถลม่มสัตว์ตัวเห็นพอได้ยินว่าแผ่นดินถลม่มมันก็เลยวิ่งหนีกันตามกันเจ้าระวันพอดีไปเจอราชสีราชสีก็ถามเฮ้ยพวกมึงทำอะไรกันมาเนี่ยอยก็บอกหนีแผ่นดินถลม่มตรงไหนว่าถล่มเป็นยังไงมันกลัวราชสีมันก็เลยไม่กล้าหนีราชสีบอกพาไปดูหน่อยก็เลยต้องพาไปดูกัน ราชาสีก็เลยไปพิสูจน์ดูไหนว่าตรงไหนที่มันถลม่มก็ได้ตรงที่ลูกตานหล่นนั่นแหละราชศรีบอกมันถลม่มที่ไหนลูกตาลมันหล่นลงมาอ่าครานั้นจบนะราชาสีเป็นผู้มีเหตุมีผลมีปัญญาแต่อาจจะต้องไปใช้กรรมในอดีตที่เคยทํามาหรืออะไรต้องไปเกิดเป็นราชาสีคำถามต่อไปจากคุณอาริพรครับให้ความช่วยเหลือด้านการเงินกับคนรู้จัก มีเพื่อนเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติคนหนึ่งบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเพราะเจ้ากรรมในเวรเขาไม่ต้องการให้เรายุ่งจะช่วยเหลือเขาต่อดีหรือปล่อยไปตามกรรมของเขาดีคะก็เราต้องพิสูจน์กันว่าสิ่งที่เขาพูดนี่มันจริงหรือไม่จริงนะอย่างกลางธารมาสูตรเนี่ยใครเขาพูดอะไรเราก็ยังไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องไปปฏิเสธนะไปพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่เขาพูดถูกหรือไม่เราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเมื่อกี้เขาพูดอะไร เพื่อนเขบอกครับเพื่อนกขาบอกครับบอกว่าไงบอกไม่ให้ไปช่วยเขาครับเพราะเขาเป็นอะไรอ่าเจ้ากรรมนายเวรครับเพราะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ต้องการให้เรายุ่งเราจะไปรู้ยังไงวะเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ต้องการให้เรายุ่งก็พูดปากปล่าพูดไปนั่นเองถ้าเรายังเมตตาเขายังสงสารเขาจะช่วยเขาต่อก็ช่วยได้มันไม่เกี่ยวกันเนี่ยก็ให้เขาเจ้ากรรมนายเวรมาบอกเราสิบอกให้มึงอย่าไปยุ่งกับเขาออ ก็จะมีคาว่าเจ้ากรรมนายเวรก็คือคนที่เกียดเขาเนี่ยเขาอาจจะมาบอกหรือคนที่มาบอกก็คือคือเจ้ากรรมนายเวรหนึ่งใช่ัหยที่มาบอกไม่ให้ไปช่วยก็แสดงว่าไอคนนี้แหละเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็อยู่ที่เราอะถ้าเรายังอยากจะช่วยก็ช่วยได้แต่เราอาจจะไปมีเวรมีกรรมกับไอคนที่มาบอกไม่ให้เราไปช่วยก็ได้ถ้าเราไม่อยากจะมีเวรมีกรรมกับไอคนนี้เราก็อย่าไปช่วยเขาก็ได้ แต่ถ้าเราไม่กลัวเวรกรรมของมันเราอยากจะช่วยก็ช่วยต่อไปคำ ถ, ถามต่อคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณวัดครับมีคนส่งกายพระาธาตุของหลวงตามหาบัวเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นของตาของหลวงตาจริงหรือว่าครับ อ, รอ้างทามไปเครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นของหลวงตาจริงหรือว่าอาจเป็นของหลวงปู่ท่านอื่นเพราะเดี๋ยวนี้มีมิจฉาชีพเยอะเพื่อเรียกเงินเรียกทองครับ ถ้าเขาให้มาฟรีๆก็รับเอาไว้ถ้าเข า, เาให้เงินเขาจะเอาเงินก็คืนเขาไปอันนี้คํำถามต่อไปจากคุณสมชื่อนะครับถามต่อจากเรื่องเชิงเม้งนะฮะถ้าเช่นนั้นเราทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วจะดีกว่าไปเชิงเมงหรือไม่คะสําหรับเราจะ ด, ดีกว่าแต่สําหรับญาติพี่น้องเขาอาจจะว่าเราเพี้ยนก็นได้แล้วก็อาจจะต้องทําเพื่อเขาและเพื่อเราด้วย เพืเขาแล้วก็ไปเพราะการไปรวมญาติมันก็ดีอย่างหนึ่งเพราะันเป็นการทำให้มีความสมัครสามัคคีเอให้มีความรักมีความเมตตาต่อกันเราเป็นคนมนุษย์สังคมเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องอยู่ร่วมกันเพราะเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็จะได้มีผู้อื่นมาช่วยกันดังั้นการไปรวมญาติานี้ก็เป็นเป็นอุบายที่ดีของของธรรมเนียมนี้ ธรรมเนียมนี้เขามีอุบายสอนให้มีความกระตันอยู่สอนให้มีความรักความสามัคคีกันให้พี่น้องรักกันไม่ให้แตกแยกกันเพื่อเราจะได้ความสามัคคีนี้จะทำให้เรามีพลังเวลาเราเดือดร้อนก็จะได้มีคนมาช่วยเหลือกันเวลาเขาเดือดร้อนเราก็ได้ช่วยเหลือเขาฉะนั้นถ้าเราทำเพื่อเราเราก็ไปทำบุญของเราตามลำพังไปวัดไหนก็ได้แล้วก็ไปทาบุญใส่บาตรอุทิศไป ส่นเพื่อทําเพื่อครอบครัวก็ทําไปก็ไปร่วมกับเขาไปเหมือนกับไปไ ป, ไปงานวันเกิดพ่อแม่แต่ทนที่จะเป็นงานวันเกิดก็เป็นงานวันตายแทนนั่นเองคำถามสุดท้ายในช่วงนี้ของ facebook นะครับจากกุญใจบริสุทธิ์ครับในขณะนั่งสมาธิเราแผ่เมตตาอุทิศบุญให้แก่บุพการีในขณะนั้นถูกต้องไหมครับแล้วดวงวิญญาณเขาจะได้รับหรือเปล่าครับ ไม่ถูกหรกแผ่ไม่ได้หรอกเมตตาเมตตาต้องแผ่ในขณะที่มีคนมารับเท่านั้นเมตตาก็คือเวลาที่เราพบปะกันแล้วเราก็มีข้าวของเงินทองเราก็แจกกันไปให้กันไปนี่เรียกว่าเมตตาหรือถ้าเกิดมีเรื่องมีราวกันเราก็ยกโทษให้กันไปให้อภัยกันไปไม่ถือสากันเรียกว่าเมตตาสําหรับผู้ที่ตายไปแล้วสิ่งที่เราจะให้ได้ก็คือ บุญเราก็ทําบุญไปตอนเช้าไปใส่บาตรแล้วก็ใส่สาบาตเสร็จก็อุทิศบุญนี้ไปให้กับผู้ที่ลงรับไปแต่ความเมตตาให้กับต้องให้กับคนที่มีชีวิตอยู่เป็นหลักเวลาใครเขาด่าเราแล้วก็สาธุอยนี้เรียกว่ามเมตตาเวลาเห็นใครเขาเดือดร้อนก็เอาเงินให้เขาซื้อข้าวให้เขากินนี้เรียกว่ามเมตตาไม่ใช่นั่งสวดคนเดียวสัพเพสัตตาเวลาโหนตุ อันนี้ไม่ได้แผลอะไรเลยแผลแต่คำสวดเข้าใจไหถ้าแผลไม่ตายแบบนี้ก็สบายสิไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องเสียกำแดงเสียอะไรนั่งเฉยๆแล้วก็สวด แ, แล้วก็แผลไปครอบจักรวาลเลยเนี่ยชอบแผลกันแบบนี้ไอแผรแบบเสียเงินไม่ก็ชอบแผลกันนะมีมีคาถามหนึ่งครับแพทยุจจากคุณศักกรินครับก่อนตายถ้าเรานึกถึงความตายโดยไม่ยึดมั่นตัวเราได้ไปสวรรค์ไหมครับ ก็แล้วแต่ว่าเราปล่อยได้หรือไมถ้าเราปล่อยได้เราก็ไปสวรรค์ได้ไปนิพพานได้ปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายไม่คิดว่าเป็นตัวเราของเราเหมือนกับร่างกายของคนอื่นเวลาเราดูคนอื่นตายเราเดือดร้อนไหมเราก็ดูมันตายดูร่างกายเราตายก็เหมือนกับดูร่างกายของคนอื่นตายถ้าอย่างนั้นเราก็ไปสวรรค์ได้ไปนิพพานได้ มีของคุณวัดนะฮะเมื่อกี้ที่ถามเกี่ยวกับหลวงตานะครับบอกว่าเป็นส่งรูปภาพของหลวงตาครับไม่ใช่กายไม่ใช่กายครับรู้ได้ไงเป็นของหลวงตาจริงครับรูปภาพของลวงตาอ่ารูก็รู้ว่าดวงตาน่าตาเป็นยังไงไม่ใช่เนะถ้ารูปภาพมันไม่น้าตาเหมือนหลวงตาแล้วจะเป็นหลวงตาได้ไงไม่เข้าใจถ้ามีรูปภาพเลยมนสงสัยได้ไงใช่อือ เขียนใหม่เนีเข้าใจหรือเปล่าครับรู้รู้สึกว่าจะสับสนอยู่นิดหน่อยครับถ้าเป็นรูปภาพหลวงตาแล้วมัสงสัยเป็นรูปหลวงตาหรือเปล่าหมายความว่ายัางไรคํถาถามต่อไปจากจากคุณพานุวัตรครับเพื่อนฟังทำแล้วเกิดรู้สึกเฉยเฉยสิ่งที่เคยทําให้ทุกข์ให้สุขก็ไม่ทําให้ทุกข์ให้สุขแล้วรู้สึกร่างกายไม่ใช่ของเรา จนเกิดความกลัวความรู้สึกนี้จะทําอย่างไรต่อไปดีครับก็เป็นความรู้สึกเท่านั้นยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความรู้สึกแท้จริงหรือเปล่าก็ต้องไปลองดูให้เขาด่าดูด้ว่ายังเฉยเฉยได้หรือเปล่าให้เขาเอาแฟนเราไปแล้วยังเฉยเฉยได้อยู่หรือเปล่าอันนี้มันเฉยแบบเฉยแบบต้อนมันยังไม่มีเหตุการณ์มันก็เฉยได้ตอนนี้เราก็นั่งเฉยกันทุกคนเนี่ยเรางูมันหล่นมาสักตัวเลยดูจะเฉยหรือเปล่า อครับจจากคุณวัดนะครับบอกว่าเป็นรูปพระาธาตุครับสีสันสวยงามมากครับก็เป็นรูปก็รู้ว่าเป็นรูปท่านนั้นเองก็เป็นกระดาษท่านนั่นเองมันจะเป็นพระาธาตุได้ยังไง ร, รูปเหมือนแล้วก็เราอยากจะเก็บบูชาก็เก็บได้ถ่ายกรอบไว้แล้วไปตั้งไว้หน้าพระนั่งตั้งไว้ที่ไหนเหมาะสมแล้วก็กราบท่านมีไว้เพื่อลำลึกถึงพระคุณของท่านถึงสังฆคุณคนะํถาถามต่อไปจากคุณสมพรครับ ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วบุญที่เราจะอุทิศบุญนี้ให้พ่อแม่ได้ไหมคะคือยังไม่รู้ว่ายังไม่ยังไม่ได้สมาธิแล้วจะไปอุทิศได้ยงไงเหมือนกับปลูกต้นไม้พอปลูกปั้ว่าจะเอาเอาเอาผลละไม้ไปไปให้คนอื่นได้หรือยังใช่ไมการนั่งสมาธินี้เริ่มต้นก็เป็นการปลูกกไปก่อนถ้าจิตยังไม่รวมมันก็ยังไม่เป็นสมาธิมันยังไม่มีผลน่ะ ต้องจิตรวมก่อนมันถึงจะมีผลเมื่อมีผลแล้วก็อาจจะอุทิศก็ได้แต่คนรับก็อาจจะไม่อยากจะรับผลแบบนี้ก็ได้เพราะเขาไม่รู้คุณค่าของความสุขที่ได้จากสมาธิว่าเป็นยังไงเขาอยากจะได้ความสุขที่ได้จากการกินอาหารดื่มเครื่องดื่มที่เขาชอบมากกว่าก็ได้เะฉะนั้นเราถึงไม่นิยมที่จะอุทิศบุญด้วยการนั่งสมาธิหรือวิปัสติปฏิบัติวิปัสสนากัน เราจะนิยมอุทิศบุญด้วยการทําบุญให้ทานเรารู้ว่าคนนี้เขาชอบกินขนมอะไรแล้วก็ซื้อขนมนี้มาถวายพระใช่ไหมเขาชอบกินอาหารชนิดไหนเราก็ซื้ออาหารชนิดนั้นไปถวายพระเสร็จแล้ ว, ลวก็บอกส่งเข้าไปว่าพี่วันนี้ได้ส่งขนมมาให้แล้วนะคําถามต่อไปจะคุณสมชื่นครับ รบกวนพระอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเรื่องการทําศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยทาอย่างไรค ะ, ะก็ออกบวชไงออกบวชถือศีลสองร้ 27, เนี่ยเต็มร้อยเต็มที่เลยสมาธิก็นั่งมันทั้งวันทั้งคืนเดินยืนนั่งนอนสลับกันไปเปลี่ยนนิรยาบวก็จเจริญสติควบคุมใจให้สงบเพียงอย่างเดียวไม่คิดไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งสิน้นจนจิตรวมตลอดเวลาอพอจากจิต ถ้าเวลาไม่ได้รวมเวลาออกมาก็ให้เจริญปัญญาตลอดเวลาพิจารณาใจรักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำนมไฟพิจารณ า, างี้สลับกับการเข้าสมาธิตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยอย่างเนี้ยเรียกว่าปฏิบัติศิ้นสมาธิปัญญาอย่างเต็มร้อยนหมดแล้วใช่ไมตอนนี้คําถามหมดแล้วครับออมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหม อา่าให้นับถอยหลังสิบเท้าเดา้าสิบเก้าอ่ <c oughs> อ า, <c oughs> อาวันพรุ่งนี้ค่อยถามใหม่ก็แล้วกันวันนี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพนิสเพจานาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด